อ ر سل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كله الكافلون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخلال ال هديهدي محمد صلى الله عليه وسلم شرح الأمور م ل ص ا ت ه ا وكل م ح ل ص ة, ة ا ل ب ع وكل بداية دلاله أما بارك الله وباركه ครับพีน้องที่รักครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับในส่วนของการอธิบายอัลกุรอานเรายังคง คุยกันในส่วนของส ورة อัลอาล่าสุร่าอัลอาลาสับิสมรบิคอัลอลาก็คือหนึ่งในคุณลักษณะหนึ่งในพระนามของผู้ละซุบฮานูอัลลาลานั่นก็คือผู้ที่ทรงอยู่เหนือทุกสปปรรพสิ่งผู้ที่อยู่สูงส่งนะครับผมความเดิมตอนที่แล้ว เ, เราได้คุยกันในส่วนของอายะที่8วดวานูยัสซิรุกะลิลยุสอรอและเราได ให้เจ้านั้นง่ายดายในการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่ง่ายดายซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วในสิ่งที่ได้พูดคุยกันนะครับแล้วเราก็สรุปส่วนหนึ่งก็คือว่านุศิมเราเนี่ยต้องพยายามทําตัวให้เป็นคนที่ง่ายๆอย่าทําตัวให้เป็นคนที่อะไรก็ยากไปหมดจะกินยากอยู่ยากพูดยากเข้าใจยากทําอะไรก็ยากพยายามทําตัวให้ง่ายๆแล้วพวกเราก็ใช่เราได้รับความง่ายดายแบบง่ายๆเช่นเดียวกันซึ่งก็เหมือนกับที่ท่านอับดุลเบี๊ยมอุมัสสลอมท่านก็ ทำตัวง่ายๆใครก็เข้าหาท่านได้ใครก็รักท่านสังเกตดูครับยิ่งเราเป็นคนที่เลือกมากเนะี่ยคนก็จะยิ่งไม่ค่อยอยากจะพูดคุยกับเรานอกจากในส่วนที่จําเป็นซึ่งแน่นอนครับคนที่เลือกมากเนะี่ยใครอยู่ด้วยก็เครียดเอาตรงๆครับเราอาจจะชอบทําให้คนอื่นเครียดแต่เราไม่ชอบอยู่กับคนที่ทําให้เราเครียดถูกไหมครับเพราะนั้นก็ใจเขาใจเราครับผมวันนี้ครับเรามาคุยกันระยะต่อมาครับ about in the artistic role ภาษาเกียรติใ น, นภาษาติดดิกรออาญาที้ครับแปลได้2 อ, อย่างแปลได้2 อ, อย่างอย่างแรกครับก็คือจงตักเตือนจงมีการพูดจนมีการทําให้ได้คิดกันเพราะเราบางทีเวลาอยู่เฉยบางทีไม่ได้คิดบางทีอาจจะยุ่งกับดุลยาบางทีอาจจะอะไรก็ตามแต่กับงานที่มันเข้ามากับครอบครัวกับลูกหลานกับปัญหาสารพัดบางทีเราก็ลืมคิดอะไรที่เราต้องคืดคิด บางทีเราก็ลืมคิดว่าเป็นบ่าปของคนอลล์ aw, บางทีเราก็ลืมคิดว่าอลล์นั้นเมตตาเราบางทีเราก็ลืมคิดว่าเรื่องหลา ย, ลายเรื่องเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยด้วยซ้ําเพราะเรื่องหลายๆเรื่องมันอยู่เกินการควบคุมของเราเราก็ปล่อยไปให้มันเป็นตามที่มันเป็นเราก็มอบหมายตุนต่อนเราเราก็ทําส่วนของเราให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยลงลมือยากแล้วเชยตอนมันก็ชอบทําให้เราลืมสิ่งที่เราไม่ควรจะลืมเพราะฉะนั้นฝ่ายเก็บนี่คือสิ่งที่ เราจะใช้ชู้สู้กับใช้ตอนเราก็ต้องมีการพยายามตักเตือนกันพยายามพูดคุยการพยายามเตือนสติถ้าเกิดเราดูปุ๊บคนอื่นเขาลืมอะไรไปเราก็เตือนสติเขาถึงเวลาเราก็ต้องลงลืมอะไรมากมายเช่นเดียวกันเขาก็จะเตือนสติเราเป็นการเตือนซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันให้ดีขึ้นท่านอับดุลเบี๊ยมุสโลสระบบประชาชาตินี้จะยังได้รับความดีงามดาบใดก็ตามที่ยังสั่งใช้ให้ทําความดีแล้วก็ห้ามปามกันจากการทําความที่ชั่วร้ายเพราะฉะนั้นการตักเตือนเนี่ยสำคัญมากๆ ตักเตือนให้กับใครครับเวลาจะเตือนตเตือนทุกคนเลยไม่มีใครที่เขาไม่ต้องการการเตือนเพราะอย่าลืมครับเฟรนด์นะกีร์ผู้ล้อพูดกับใครพูล้อสุมาตราพูดกับท่านนบีมูฮัมมัดสลอมลฮุอรสัลลัมท่านนบีคือใครท่านนบีคือคนที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดคือถ้าจะมีใครที่ผูล้อไม่เอาผิดเลยนั่นก็คือท่านนบีมูฮัมมัดสลอมลฮุไรสัลลัมแต่พู้ล้อก็บอกว่าก็จงตักเตือนกันนะก็จงไข้ขวนนะจงคิดเนี่ยนะ แปลว่าขนาดท่านอบียังต้องได้รับการตักเตือนยังต้องมีการเตือนสติแล้วกับพวกเราที่อยู่ในระดับไหก็ไม่รู้เลยล่ะครับผมยิ่งจําเป็นยิ่งจําเป็นแล้วก็จําเป็นเพราะฉะนั้นเตือนผู้รู้ได้ไหมเตือนผู้รู้ได้ผู้รู้คนไหนทาตัวเตือนไม่ได้พี่น้องไม่ต้องไปครบแปลว่าเขาเกินเดียวยาแล้วเกินเยียวแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีอีกชามล่ะครับผม มุสลิมเราเนะี่ยยิ่งเรากลัวอัลลอฮ์ยิ่งต้องเตือนได้ยิ่งต้องรับฟังการตักเตือนได้เพราะฉะนั้นผู้รู้เตือนได้นักเรียนเตือนได้เด็กเตือนได้ผู้ใหญ่เตือนได้เพียงแต่แน่นอนการเตือนมันก็ต้องมีการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมก็ต้องมีการใช้รูปแบบที่ดีที่สอดคล้องกับแบบอย่างของท่านอบีมุฮัมมัดสุลต่านหุอะไรที่ว่าสลับเบอะเกียรอินน่าอาติดดิกกาลอนั้นจงตักเตือนสี่หากว่าการตักเตือนนั้นจะยังประโยชน์ จงเตือนทำให้พวกราพูดถือว่าจงเตือนอายะ ก, ก่อ น, นี้พวกเราใช้คำว่าอะไรครับบวรุยัสซิรูกาลีวิสรอเราทําให้เจ้าได้รับจากความง่ายง่ายแล้วอิสลามเดี๋ยวก็พูดให้มาง่ายๆ่ายจะไม่กุศนก็ง่ายเราได้ทําให้มันง่ายแ ล, แล้วมีใครได้คิดไหมที่พอ ก, กว่ากาวรก็ยัสรนะ เราก็จะเสนอคุรานจะดิฟลิฟานมีมุตตะเกียรติเราได้ทำให้กุรานมันง่ายกับการใข้ควง่ายในการทบทวนง่ายในการคุ้นคิดแล้วมีใครได้คุ้นคิดมีใครได้เอาไปตักเตือนกันบ้างพวกเราบอกพวกเราทําอิสลามง่ายพราะเราทําให้ศาสนาง่ายมีการใข้ควรกันไม่มีการคุ้นคิดกันไม่มีการเตือนสติกันไหมเพราะฉะนั้นครับด้วยเหตุที่พวกเราให้กุรา น, น, นง่ายพวกเราก็ทําการเตือนท่านนบีด้วยกับเรื่องราวต่าาางงๆมมกครั้ทนบีี็ภ เวลามีพลาดพอล็อกกระเตือนท่านนบีเวลาสฮฮะบะพลาดท่านนบีกระเตือนสฮฮะบะหรือบางที่เมื่อบางครั้งสอฮะบะดูเหมือ น, นว่าท่านนบีมัลลุสลัยซามเนี่ยอาจจะพลาดอะไรหรือเปล่าซอฮะบะก็เตือนอย่างเช่นในเรื่องของสงครามที่เอากองทัพไปไว้ที่ไหนในช่วงของสงครามบัดดัสที่เราทราบกันก็ในเรื่องของดุลยาเนี่ยสอฮะบะก็มีการให้คําแนะนำกับท่านนบีมัลลุสลัยซามที่มีการประชุมเพรา ะ, ะนั้นการตักเตือนเนี่ย เป็นเรื่องปกติครับโดยเฉพาะมนุษย์ทั่วไปอย่างผมอย่างพี่น้องแต่ละท่านเนี่ยโดยเฉพาะคนปกติทั่วไปธรรมชาติแล้วมนุษย์เนี่ยมักจะไม่รู้ในสิ่งที่เขาจําเป็นต้องทําอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะอย่าลืมว่าเราเกิดมาก็โง่เลยเกิดมาก็โง่เลยแล้วเราก็มีเรื่องโง่อีกเยอะแยะมากมายพูดกันตรงๆเกิดมาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องอะไรลาตาเรมเชียนไม่รู้อะไรเลยอะไรถูกอะไรผิด การพูดเป็นยังไงการเขียนเป็นยังไงการกินการดื่มอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรครอะไรไม่รู้อะไรเลยเลยแล้วอะไรที่เราทำอะไรหละที่ทาให้เราคิดว่าเมื่อเราโตมาเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่ต้องมีคนเตือนเรายังฟอ ง, ง่อยู่แล้วเราก็ง่ออีกมากมายในการที่ทำสิ่งที่ผิดในการทำบาปในการทำสิ่งที่ไม่ดีมากมายมหาศาลตลอดชีวิตครับเพราะนั้นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราจะพบว่าเขาเนะี่ย แล้วคุณลักษณะของความโง่ที่น่ากลัวก็คือมักจะเป็นศัตรูกับสัจธรรมมักจะเป็นศัตรูกับความถูกต้องอะไรที่ดีปุ๊บก็ปฏิเสธไว้ก่อนอะไรที่ควรจะทําปุ๊บก็ไม่ทําไว้ก่อนสังเกตดูลูกหลานเด็กๆครับผมอะไรที่ควรทําเขาอยากทําไม่หรอกไม่อยากทำเพราะอะไรพ่อเขาไม่รู้เพรา ะ, ะนั้นไม่ใช่แค่เด็กผู้ใหญ่ก็เหมือนกันอะไรที่มันควรทําอะไรเป็นสิ่งที่ดีนะเราก็มักจะปฏิเสธเราก็มักจะไม่อยากทํำเราก็มักอย า, ษษากขีกก้เกีกยจธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนี้ ท่านนบีมุสลิมครับอัลลอฮ์ก็เลยเตือนนะครับว่าประรเกียรติคือมุฮัมมัดเจ้าเตือนไปเถอะเจ้าจะพบว่ามีผู้คนมากมายมหาศาลจะมีผู้คนหลากหลายรูปแบบคนที่ว่าเขาได้ฟังศัตรธรรมแล้วเขาปฏิเสธทั้งๆที่เจ้าอยากให้เขาเนี่ยยอมรับในศัตธรรมคนบางคนอาจจะเกลียดเจ้าในการที่เจ้าพูดความจริงทั้งๆที่เจ้าใช้รูปแบบที่ดีที่สุดแล้วหรือคนบางคนเนี่ยอาจจะทําตัวเป็นศัตรูอะไต่อต้านอะไลุกมาทํำลายเจ้าเลยซ้ําหรืออาจจะพยายามมาทำการต่อสู้หรือว่า ทาการสังหารเจ้าดุสันไม่เจ้าก็ตัวบรรดาซอบาหรือว่าบรรดาคนที่อยู่ใกล้ชิดเจ้าเพราะนั้นศัตรูเนี่ยครับเกิดมาจากความไม่รู้เกิดมาจากความดื้อดึงเกิดมาจากการปฏิเสธพระองคก็บอกเป็นเรื่องปกติมันต้องมีแต่เจ้าก็ต้องมีการตักเตือนฝรั่กิยเพราะอะไรครับเพราะทุกเรื่องราวเนี่ยเราก็จะทําให้มาเ น, นั้นง่ายสําหรับเจ้าวานุยัสซิลุกะลิลยุสรอปะเด็นเนี้นยขุนแผนครับพี่น้องมีความเกี่ยวพันกันหมดเลย มีความเกี่ยวพันกันหมดในแต่ละอายะซึ่งการตักเตือนในที่เนี่ยมีกี่รูปแบบนะครับพี่น้องการตักเตือนในที่นี้ครับก็จะมีอย่างน้อยที่สุดสองรูปแบบการตักเตือนที่ว่าเราตักเตือนกว้างๆเลยดูกว้างๆอะไรที่มันต้องเตือนอะไรที่เป็นการเตือนสติคืออาจจะไม่มีเหตุการณ์อะไรอย่างเช่นมีการเรียนมีการสอนนะครับแล้วก็หัวข้อนั้นหัวข้อนี้มาพูดคุยกันเป็นการเตือนสติ คนที่รู้อยู่แล้วก็เป็นการย้ำให้เขารู้มากขึ้นอีกส่วนคนที่ไม่รู้เขาก็จะได้รู้คนที่ลืมเขาก็จะได้คิดออกหรือคนที่กำลังหลงใหลกับอะไรก็ตามเขาจะได้มีสติเพราะฉะนั้นการตักเตือนนะครับตักเตือนเล็กวๆๆเลยมันไม่ต้องมีที่มาที่ไปอะไรก็ได้ไม่ต้องรอใ้มีเหตุการณ์อะไรก่อนอันนี้เราเรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนอ่านการตักเตือนแบบกว้างๆเรื่องสําคัญคุยเรื่องเตาหีดคุยเรื่องของพวงรถสุภาธราเกี่ยวกับคุณในลักษณะ เกี่ยวกับพระนามเกี่ยวกับความมิ่ง่ของพระงเกี่ยวกับหน้าที่ของเราคุยเรื่องฮะดีสคุยเรื่องทับซีดคุยเรื่อง uh, ของวิชาการต่างๆที่จําเป็นต้องมีการจะพูดคุยจะเรื่องของมารยาทอนุษงามหัวเรเกียพูดคุยกันอันนี้ก็คือเป็นการพูดคุยกันแบบกวา้วางๆในที่นี้ครับก็มีการเจาะจงการตักเตือนแบบเฉพาะเวลาที่มันมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็จําเป็นต้องเตือนเห็นก็เวลาละหมาดล ะ, ะคนที่เราอยู่ด้วยไม่มีใครสนใจเรื่องละหมาดต้องเตือนให้เขาไปละหมาด หรือเห็นใครทําสิ่งที่ผิดก็ต้องมีการเตือนอันนี้มันไม่ถูกนะเลือกรูปแบบที่ดีเลือกรูปแบบที่ดีบบที่สุดเหมือนกับในกรณีของท่านนบีมูฮัมมัดสละลางวาริสลามเองเลยนี่คือท่านผูร้รัสบาตดานนี่พง์ไม่ปล่อยน บ, บีเลยถ้าท่านนบีเนี่ยจะมีอะไรพลาดนิดนึงผู้รัเตือนทันทีถูกไหมครับอย่างในเคสของอิบนมมมูมุฮัมัตดูมซอบาห์คนตาบอดที่ว่าเขามีเรื่องอยากรู้เขาสงสัยในเรื่องศาสนา เขาเข้ารับอิสลามแล้วแล้วเขาก็มาหาท่านนบีมุสลิมลอยสลามในขณะที่ท่านนบีนั้นกำลังทำการเผยแผ่ให้กับหัวหน้าชาวกูริชคือลองที่ดูมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อะครับผมมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตคือแน่นอนท่านนบีุสลิมลไม่ได้สนใจในเรื่องเกียรติยศไม่ได้สนใจในเรื่องทรัพย์สินแต่ที่ท่านนบีมองก็คือว่าถ้าระดับหัวหน้าเข้ารับอิสลามเนี่ยลูกน้องจะเข้ารับตามด้วยซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงในยุคสมัยของท่านนบีมุสลิม็ลอยสลามก็เห ถ้าหัวหน้าเผารับคนนึงนี่คือเข้ารับทั้งกลุ่มเลยแล้วตอนเนี้ยท่านอบีมูฮัมมัดสุลต์สลัมกระทำการเผยแผ่ให้กับบรรดาหัวหลักหัวหน้าคนเป็นแบบเป็นหลักเป็นเสาแกนสำคัญสำคัญของกุเลชท่านอบีกาําลังเผยแผ่กัลปาวะแล้วท่านอิบนุมอุมีบักตูมนครับคนตาบอร์ดมาเนี่ยแล้วก็มาสกิดท่านอบีมูฮัมมัดสุลต์สลัมมาฐานเรงศาสนาเราลองคิดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันถ้าเหตุการณ์ขื้นขึ้นในปัจจุบันสมมุติว่าเราจัดงานใหญ่โตเราเชิญคนใหญ่คนโตมา แล้วก็มีใครกับรู้มาสกิดเราบอกว่าขอถามเมืองนั้นถามเมืองนี้เราจะเป็นไงครับชักสีหน้าโกรธยีไม่ดีพูดไม่ดีอย่งนี้เขบอกว่าเออไวท้ทีหลังก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมตอนนี้เกิดเป็เรื่องสําคัญธรรมชาติกับมนุษย์เป็นแบบนี้ครับซึ่งท่านนบีมูฮัมหมัดสละมอวานสลับเองพอเห็นปุ๊บเดี๋ยท่านก็มีหน้าชักสีหน้านิดนึงคือท่านไม่สบายใจซึ่งการชักสีหน้านี้ไม่ใช่หมายความว่าท่านนบีนั้นไม่รักสอฮาบะไม่ใช่ เพียงตัวประการแรกผู้ที่มานั้นเป็นผู้ที่ตาบอดการชักสีหน้าของท่านอบีเขามองไม่เห็นแล้วมันก็เป็นอาการตอบสนองตามธรรมชาติเหมือนท่านอบดเีรู้สึกว่าทีหลังได้ไหมตอนเนี้กําลังช่วงเข้าได้เข้าเข็มช่วงสําคัญใครๆก็คิดแบบนี้ผมบั่นใจครับผมแม้แต่มุสลิมในปัจจุบันถ้าเกิดเรากำลังคุยกับคนใหญ่คนโตที่เขาเป็นผู้ไปเศษสียสละแล้วมีมุสลิมเนี่ยตาดําๆเนี่ยจะมาหามาถามว่าข อ, ขอความช่วยเหลือเนี่ย ผมค่อนข้างมั่นใจเลยเกือบร้อยทั้งน้อยยังไงเราก็ไม่พอใจนอกจากคนที่คิดได้นอกจากคนที่คิดถึงซระอับบาซาได้ซึ่งพเพื่อเล่ากับไงครับ abasa wa ta wala a า jahul ama wama judrikan alu ya z a k k a ร atau zakkahu fatun fahu zikro ม m a manistaghna fa antahu t ในสุรอบบาอาบัซซาครับอินชาอัลลอฮ์เราจะได้คุยกันในลาดับต่อๆไปนนะครับเพราะเราก็ได้เตือนสติท่านนบีมบูฮัมมัดสุลตานบอกว่าท่านนบีเนี่ยชักสีหน้านะไม่พอใจนะตอนที่มีคนตาบอดมาถามเขาไม่อาจรู้ได้นะคนที่มาเนี่ยเขาอาจจะได้รับสัญธรรมเขาอาจจะได้คิดในขณะที่คนที่ให้ความสําคัญเนี่ยเขาอาจจะไม่ไสนใจอสลามเลยก็ได้แปลว่าในยกุรานี้พูดวลาให้มุมมองที่ มุสลิมมองไม่ถึงมุมอมองที่เราคิดไม่ถึงเพราะถ้าเราคิดถึงคนใหญ่คนโตเป็นอันดับแรกพวกเราบอกไม่ใช่นะคนที่เจ้าต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกไม่ใช่ผู้ไปเสดสัท ธ, ธาแต่เป็นมุสลิมนะ mm hmm. เกินความคิดของพวกเราหลายๆคนผมมั่นใจครับผมเพราะว่า เราเคยได้ยินพูดหลายๆครั้งบางคนบอกเนี่ยอะไรเนี่ยอาจารย์เนี่ยมาคุยแต่เรื่องศาสนามาคุยเรื่องเตาฮิตมาคุยเรื่องฟิกนุ่นไปดูนุ่นกาฟเฟส ต, ตังนั้นกาฟเฟสตัวนี้พูดไปเสียสนะตั้งเน้นยังไม่รู้จกักอัลลอฮ์นี่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยทําไมคุณไม่ไปทํางานตรงนั้นก่อนเคยได้ยินไหมเขาพูดประโยคประมาณเนี่ยอันนี้นสําคัญกว่าทําไมไม่ไปทํานั้นทําไมมาอยู่ที่มาศีทําไมมาอยู่มาสอนมานอย่างเี้ย นี่คือไม่เข้าใจไงครับนี่คือความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นถ้าเรากลับมาศึกษาสรุสรบาบราซาแล้วเราดูเนี่ยเปิักเกอินนัฟอาตินดิกกรอนจงเตือนสติสิหากว่าการเตือนสตินั้นเป็นประโยชน์เพราะโพลสุภาตาให้เราเรียงลําดับสมมุติพี่น้องมีเวลาหลนึชั่วโมงหรือมีเวลา5นาที10นาทีแล้วเราจะเป็นต้องเลือกว่าเราใช้ความสำคัญกับใครว่าเราจะสอนใครว่าเราจะอธิบายให้ใครรู้จักศาสนา อิสลามบอกว่าถ้าคุณจะเรียงลำดับนะลาดับของผู้ศรัท ธ, ธาต้องมาก่อนอันนี้คือแบบอย่างจากผู้ลอสซุบบฮานะฮูวะตะอาล า, าครับผมเพราะนั้นใครที่เข้าใจผิดเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกนะเพราะอยะ่ารลันหลายที่ผู้ลอพูดเหมือนกันเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆ ค, คุยกันอีกทีขอกลับมาเรื่องการแต่งเตือนกัน มี้เราบอกว่าการตเตือนมี2แบบการตเตือนแบบกว้างๆแบบแบบไม่ต้องร้อยมีเหตุผลที่มาที่ไปเราก็เตือนแล้วก็พูดคุยกันได้เรียกลูกมาเรียกคนรักเรามาเรียกผู่คลองเรามาอาจจะเป็นเพื่อนเราในที่ทํางานแล้วก็พูดเตือนสติหรือบางทีเราละหมาดจะมาด้วยกันละหมาดเสร็จปุ๊บอาจจะมีการเตือนสี่ห้าสั้นๆเล็กๆน้อยๆอ่าแตยไหนก็ละหมาดด้วยกันนะแล้วก็อยากจะเตือนวันนี้อยากจะเตือนเรื่องนั้นเตือนเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องมีที่มาที่ไปอะไรครับพี่น้อง การตักเตือนเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์ผู้ศรัทธาเพราะนักตักเตือนกันให้มากๆครับคนรักกันเนี่ยยิงต้องเตือนกันแล้วเราก็บอกว่าการตักเตือนรูปแบบที่สองก็คือการ ต, กตักเตือนแบบที่มันเฉพาะหน้าที่มันเป็นเคสที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างเคสของอิฐนูอมุมมักตูเพะเราก็เตือนสติท่านอมีบอกว่าเนี่ยให้ความสำคัญจัดความสำคัญใหม่นะ บรรดาหัวหน้าเนี่ยบรรดาคนใหญ่คนโตเนี่ยเขาไม่ได้มีความสํำคัญมากไปกว่ามุสินที่ต่ําต้อยหนึคนต้องมองให้เข้าใจตามนี้นะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปัจจุบันพูดกันตรงๆครับผมลหลายๆคนเราให้ความสําคัญกับอํานาจมากกว่าแต่นี้ต้องรับตัวตัวเองเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเราดูพี่น้องอย่างในกรณีของที่มีวัยรุ่นมหาเทระบีมัรสรรละลายสลัมเขาอยากได้รับการเตือน บางทีเขาไม่ได้ขอให้เตือนแต่เขาจําเป็นจะได้รับการเตือนแล้วก็ต้องดูให้ออกอย่างที่ว่ามีเด็กหนุ่มเขาหนึ่งมาทนายวีร์แล้วบอกยาระสุลล้อในอิสลามเนี่ยผมทําได้หมดเลยคําสั่งใช้ของพวกล้อทุกข้อผมทําได้หมดเลยยกเวน้นอ่าพี่น้องคนประเภทนี้มีเยอะในสังคมนะผมไม่อยากบอกว่าอาจจะเป็นพวกเราด้วยก็ได้อาจจะเป็นผมอาจจะเป็นพี่น้องก็ได้คนที่บอกว่าอิสลามเนี่ยฉันทําได้หมดเลยยกเวน้นเรื่องนี้ฉันยังทําไม่ได้ยกเวน้นเรื่องนี้ยาวล้อฉันขอเธอะ ขอจะนทำก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวฉันค่อยเตาบ้าแต่เรื่องอื่นฉันจะทำให้ดีที่สุดคนประเภทนี้มีเยอะในสังคมซึ่งเด็กหนุ่มคนเนี่ยมาหาท่านนบีแล้วคุยกันตรงๆเลยลูกผู้ชายพอแมนเลยบอกยาราซูลุลลอห์แต่ทั้งหมดบทมิเลสาราผมทำได้หมดเลยยกเว้นเรื่องของซีนนครับสอบตกกันเกือบทุกคนนละครับเรื่องซีนหนักครับผม ยวาวชนคนี้ไปบอกเลยมีตรงๆเลยว่าเรื่องซีนานผ่ผมผมคงคงข้ามใจตัวเองไม่ได้ผมวัยรุ่นผมเลือดแรงช่วยให้มันเป็นที่ฮาลันสำหรับผมได้ไหมคือผมขอทำซีนาได้ไหมคือไม่อยากแต่งงานไม่อยากรับผิดชอบอ่ออยากทำซีนาซึ่งลักษณะของผู้ชายมักจะเป็นแบบนี้นี่คือธรรมชาติที่เราถูกสร้างมาคือผู้ชายเนี่ยรักชอบผู้หญิงแต่ไม่ชอบที่จะต้องรับผิดชอบผู้หญิง ธรรมชาติเป็นแบบนี้ครับซึ่งบางคนอัทำยลามี إ ม م ا ن เขาก้าวข้ามธรรมชาติตรงนี้ผลเขาก็มีคู่ครองที่ดีเขาก็รักษามานะที่ดีเขาก็ดูแลคนของเขาเป็นอย่างดีแต่ก็นั่นแหละรครับเคสเนี่ยมามาขออนุญาตถ้าเกิดเราดูปุ๊บมันต้องตอบอย่างเดียวใช่ไหมว่าได้หรือไม่ได้ ในที่นี้ไม่ใช่ครับท่านจะมีเตือนสติครับผมท่านรบีใช้วิธีการเตือนสตินี่คือเกิดเหตุการณ์แล้วซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเจ้าตัวไม่ได้ต้องการให้เตือนเจ้าตัวต้องการอยากรู้ว่าได้หรือไม่ได้เฉยๆแต่พอท่านรบีดูปุ๊บท่านระเบียบบอกว่าไงครับพ่อหนุ่มคุณจะรู้สึกยังไงถ้ามีคนมาทําซีนากับคนของคุณถ้ามีคนมาทําซีนากับแม่ของคุณถ้ามีคนมาทําซีนากับ ลูกสาวของคุณหรือทําศีนากับพี่น้องของคุณที่เป็นผู้หญิงคุณชอบไหมพี่น้องว่ามีใครบ้างจะชอบไม่มีหรอกพี่น้องทํธรรมาชาติเลยคนส่วนใหญ่ถ้ายังมีความคิดอยู่นะถ้าไม่มีความคิดถ้าพวกไดยูสเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วแต่คนที่ยังเหลืออ إ ي م านสักหน่อยยังมีสติสักหน่อยไม่มีใครรับได้ครับที่ใจนคนของตัวเองเนี่ยมีใครมาทําศีนาแล้วก็ถิง้งถ้ามาก็มาแต่งงานรับผิดชอบให้มันถูกต้อง แต่ถ้าเกิดมาแล้วมาทาํกากรเรกระด้างแบบนีน้ไม่มีใครรับได้ใช้หนู่คเขาบอกโอ้ยาราซืแ ล, ล้วผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ถ้าจะมีใครมาทําศีนากับแม่ของผมรับไม่ได้เด็ดขาดใครมาทําศีนากับคนขับผมผมรับไม่ได้พี่น้องผมผมรับไม่ได้ท่านอบีบมวลัสสรับผู้เียนเหตุต่อครับท่านอบี บ, บอกว่าในเมื่อคุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณทําไมคุณถึงจะไปหยิบยื่นมันให้กับผู้อื่นล่ะเตือนสติพี่น้อง เตอสตินี่คือเคสที่ว่าเหมือนกับต้องการคําตอบแค่ใช่ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วท่านอบีมัสัรสรมดูท่านอบีรู้ว่าวเขาต้องการได้รับการเตือนสติแล้วเขาคิดได้ด้วยพี่น้องวัยรุ่นคนนั้นบอกกับท่านอบีว่าไงพี่น้องรู้ไหมคนนั้นบอกว่ายาระสุลงเหรอขอทราบคำตอบเหรก่อนที่ผมจะมาพูดกับท่านเนี่ยจินาเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดพูดกันตรงๆผมชอบที่สุด ทำซีนาเนี่ยหลับนอนกับผู้หญิงโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยแต่พอผมมาคุยกับท่านแล้วยาโรซูลอเนาะซีเนเป็นสิ่งที่ผมเกลียดมากที่สุดแล้วฟาเรตเยสอินฟาอติดิกรอจงตักเตือนเกินสิถ้าการตักเตือนนั้นเป็นประโยชน์พฟ น, นี้คือการตักเตือนแบบถ้าเกิดว่ามันมีเคสอยู่ต่อนหน้าเราบางทีเราก็ต้องดูว่าเคสเกิดอะไรขึ้นมันจะไปต้องเตือนแล้วนะอย่าง เคสเฉพาะหน้าหลักๆ ก, ก็อย่างทิ้งสิ่งที่เป็นไวริสหรือคนทําชีริกหรือคนทำบิทแอพ ก, ก็ต้องมีการเตือนหรือต่อให้เป็นเคสที่ว่ามันเป็นทางอ้อมที่เขาอาจจะไม่ต้องการการเตือนแต่เหตุการณ์นี้พอเราเห็นปุ๊บอ่าแปลว่าเขาไม่เข้าใจหรือบางคนครับเจอบททดสอบของชีวิตแล้วมันหนักเราก็ต้องเตือนสติเขาบางคนอาจจะเครียดกับเรื่องเป็นร้อยเป็นพันคือบางทีในชีวิตเราน่ยมีเรื่องในหัวเราเป็นร้อยถูกไหมครับพี่น้องกับดุนยาบางที คอบครัวก็เครียดการงานก็เครียดอันนั้นก็เครียดอันนี้ก็เครียดเครียดเต็มไปหมดแล้วบางทีเครียดเครียดเคียดเียดแล้วมันส่งผลเสียกับคนรอบข้างพอเราไปเห็นเขาบางทีเราก็ต้องเตือนสติเขาบอกว่าจงยำเกรงต่อองล์พระสิ่งที่คุณเครียดเนี่ยมันเกินความสามารถของคุณหรือเปล่าถ้ามันอยู่นอกความสามารถของคุณคุณจะเครียดไปทําไมคือเราจะเครียดหรือเราไม่เครียดเราก็ทําอะไรไม่ได้มันเกินความสามารถแล้วไง อย่างเรื่องสภาพอากาศลมฟ้าหรืออะไรก็ตามแต่เรื่องที่มันเกินความควบคุมจะไปเสียเรี่ยทำไมเอาเวลาไปคุ้นคิดกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ดีกว่ากรณนั้นหลืออย่างในกรณีนี้นะครับที่ว่าจาเป็นจะต้องมีการตักเตือนกันแล้วกันจำเป็นจะต้องมีการตักเตือนกันแลกั น, น, กก น, ก น, กนซึ่งในกุฎานี่เยอะเลยครับผมถ้าเราเรียงลำดับอย่างตอนเนี้ย สมมุติว่าเรามีผู้เปยเศรยสลาเรามีโมนาฟิกเรามีมุสลิมแต่ทดสอบถ้าเราจําเป็นจะต้องเตือนเรามีเวลาเตือนได้แค่กลุ่มเดียวเราควรจะต้องเตือนใครครับที่เราคุยมาถึงตรงนี้ละผู้เปยเศรยสลาคนกับกอกกับมุสลิมถ้าจะเลือกตอนนี้เราต้องเลือกใครก่อนอย่ากรู้นะครับพี่น้อง มุสลิมต้องมาก่อนนะอันนี้คือจากที่พวกลอสบาร์นวราเก่าในคราภซึ่งตัวบทเยอะแยะมากครับภาษาเก็บในคัมภีร์เหมือนอย่าขอฟุ้งหวาดีพวกเราบอกไงครับดังนั้นจงตักเตือนด้วยกับกัมภีร์ทำให้คิดได้ด้วยกับกัมภีร آن. เพราะคนที่เกรงกลัวต่อการลงโทษที่พวกเราเตือนไว้เนี่ยเขาจะคิดได้พวกเราบอกใครก็ตามที่กลัวต่อ สิ่งที่ผูรว่ารเตือนไว้เนี่ยจงให่ควรด้วยกับกุรอานเช่นเดียวกันครับฟาดักเียรฟาอินนิกรอตังฟูนม um ุมินีนจงพูดให้เตือนกันเถิดเพราะการเตือนเนี่ยการพูดให้มีสติเนี่ยมันยังประโยชน์สำหรับผู้ศรัทธาพี่น้องมากตรง น, นี้ให้ดีนะเดี๋ยวเราจะคุยตรง น, นี้ให้ละเอียดหน่อยผมบอกเลยนะฟาดักเียร์ฟาอินนิกรอตังฟูนมุมินีนจงตักเตือนกันเถิดเพราะการตักเตือนกันนั้นยังประโยชน์ให้กับ ผู้ที่ศรัทธาแปลว่าอะไรครับผู้ไปเสียศรัทธาเขาไม่ได้ประโยชน์จากการตักเตือนและมูนาฟิกก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการตักเตือนด้วยเช่นเดียวกันประเด็นนี้สำคัญประเด็นนี้สำคัญครับผมสำคัญยังไงล่ะครับที่ว่าสำคัญนีพี่น้องเราจะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่แบบว่า เราเนี่ยสามารถเตือนคนได้ทุกคนแต่เราไม่ชอบให้ใครมาเตือนเราเราเป็นสกลแบบนี้บางที่ระดับครูบาอาจารย์เนี่ยซ้ําบางที่บอกในฉันต้องเตือนเป็นหน้าที่ของฉันนะว่ายิบเนี่ยฉันทำเนะี่ยมีความภูมิใจที่ได้ทําแต่พอตัวเองโดนเตือนสติบ้างโกรธฟึดฟัดหรือบางที่ไม่ต้องผรู้บางที่กว่าคนทั่วไปแกเป็นใครมาเตือนฉันคาพูดทั้งหลายเหล่านี้แปลว่าไงครับแปลว่าเราไม่ได้ประโยชน์จากการตักเตือน ซึ่งพวกล้บอกว่าถ้าเป็นผู้ศรัทธาจะได้ประโยชน์จากการตักเตือนแปลว่ายังไงล่ะพี่น้องแปลว่าเราไม่ใช่ผู้ศรัทธาหรือเปล่าคําถามนี้แม่กลัวนะพี่น้องประเด็นนี้นมากลัวซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะคุยในระยะต่อมาพอพวกล้บอกหลังจากที่บอกว่าพะนักคิดอินทระติิกุรสัยยะดักรุมยักษชาอินชาลอเราจะคุยในประเด็นนี้ทีนึงเรากลับมาพูดถึงเรื่องของการเตือนในเรื่องของการตักเตือนนะครับมีอะไรบ้างที่เราต้องเตือน สิ่งที่ต้องเตือนเนี่ยมีอย่างน้อยที่สุดห้าอย่างเบื้องที่ต้องมีการตักเตือนกันที่ต้องมีการพูดคุยกันที่ต้องมีการพูดเตือนสติกันอย่างแรกครับเกี่ยวกับการสร้างของพวกเราอันนี้การเตือนกว้างๆเลยถ้ามีโอกาสปุ๊บเราดูท้องฟ้าสวยที่ผูงผ่านมาเกิดจันทราคาดเนี่ยจันทรคาดเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญญาณที่แสดงอยู่ถึงการอยู่ของพระเจ้านะพระลักษมณ์ทรงยิ่งใหญ่พระลักษมณ์ทรงให้มันมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีโลกมีการบังแสงมีนั่นมีนี่ นี่คือการเตือนไงด้วยกับการดูสัญญาณต่างๆมิซิมเราบางทีเราเราพลาดไปเราดูอะไรประมาณเนี่ยแต่เราคิดไปไม่ถึงโฟลล์ไงอ๋อจันทะลุ ป, ปาคาเออสวยดีเนาะออกเป็นแบบนี้เออฉันอยากดูจากนานๆทีมันเกิดขึ้นเราคิดแค่นั้นแต่เราไม่ได้ม่ได้คิดว่านี่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของโฟลล์แล้วเราต้องกลัวดล้อให้มากขึ้นเราไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นเช่นเดียวกันเวลาเราไปเที่ยวฉันอยากไปเที่ยวทะเลฉันอยากไปเที่ยวน้ําตกฉันอยากไปดูภูเขาไปอะไรก็าตามแต่ พอไปปุ๊บไปดูสบายใจถ่ายรูปมีคนอยู่ด้วยได้ไปโชว์ให้คนนั้นได้ไปโชว์ให้คนนี้เราจบแค่ดุนยาซึ่งมันต่างอะไรกับผู้ไปเสศธาสุว้ครับซึ่งมันรรค ก, ก่าวรครับฟาบิอีเอเรอโรบบิคูเบตูแกสตีเบนไดซูร์ลอร์เบนเดี่ยวพวกเราพูดถึงการสร้างกนที่อย่างของมรรคหลายๆอย่างเลย ตอนการโคจรของดวงอาทิตย์ทั้งโลกทั้งเหลือของแม่น้ําที่มาบรรจบกันทั้งการสร้างต่างนานามากมายแล้วพระบอกว่าแล้วมีสัญญาณใดเหรอจากผู้อิบาดของเจ้าอ่ะที่เจ้านั้นกล่าวหาว่ามันไม่มีผู้สร้างที่เจ้าว่ามันเป็นเรื่องโกหกที่เจ้าว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระทุกอย่างมันมีเหตุมีผลทุกอย่างมันมีสิ่งที่น่าประทับใจเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาเราดูการสร้างของพวกนรกเนี่ยเราต้องคิดไปให้ถึงพระองค์ ถ้าใครลืมเราก็ต้องมีการเตือนกันเตือนกันบางคนอาจจะดูต้นไม้นี่ทำไมมันน่าขยะขยยงต้นไม้นี่ทำไมมันเน่าเหี่ยวเฉามันไม่น่าดูเราก็ต้องเตือนสติว่าอย่าลืมนี่คือการเตือนสติจากพวกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงจุดหนึง่งมันก็จะดับสูนต้องมีการตักเตือนกันมากๆ า, ก ม, ากมีน้องสังคมเราต้องการให้เป็นสังคมทห่งการ การพูดกันดีๆไม่ใช่โกรธกันแล้วมาเตือนกันเดีย๋ยนั้นเราบัญญัติการเป็นดาเตือนกันแบบดีๆมีอะไรก็คุยกันดีๆอันแรกที่ต้องเตือนสัญญาณตกต่างทุกอย่างท้องฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ภูเขาก้อนเมกทะเลที่เที่ยวท่องเที่ยวไปดูหิมาไปอะไรก็าตามแต่ไปเจอผู้คนที่หลากหลายต้องมีการเตือนสติกันว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลอสผานุารักการงานการมีอยู่ของพระอะค์ นี่ต้องเตือนกันต้องเตือนกันให้มากเรื่องที่2ครับเรื่องความโปรดปานต่างๆที่เราได้รับจากองค์ลอต้องมีการเตือนสติกันด้วยพวเอเรับฝ่ายอินโต้ดูว่าอินดูนียมาตอนรอยละตุ๊กสู้ฮะหากเจ้าจะนับถึงความโปรดปานที่เราให้เนี่ยเจ้านับไม่ได้มันเยอะแล้วมุสลิมเราเนี่ยชอบตีโพยตีพายเวลาลําบากคือเวลาเราเจะดื่ความลําบากเนี่ยที่พอล้อช่วยมาเป็นร้อยเนี่ยเราลืมหมดเลย เราลืมหมดเลยคุณคุณไหมครับเหมือนคุณลักษณะที่ท่านธรมบิวสละสลัมตาหนิแม่บ้านบางคนท่านบีบอกผู้หญิงบางคนนะเวลาที่สามีทำดีตลอดชีวิตแต่นาไม่เคยเห็นคุณค่าพอถึงเวลาเขาขัดใจนางสักอย่างนางจะบอกว่าฉันไม่เคยได้รับอะไรดีๆจากเธอเลยเทดิสนี้พูดจ่าจงถึงผู้หญิงซึ่งแน่นอนครับกับผู้ชายก็เช่นเดียวกัน สามีพ่อบ้านที่่าภรรยาเนี่ยทำหน้าที่ของนางเต็มที่เตรียมอาหารทําสิ่งดีๆให้แต่ไม่เคยเห็นคุณค่าเลยอันนี้ก็ข้อขายคนที่ไม่รู้คุณค่าคนซึ่งเขาไม่มีทางจะรู้คุณค่าของอักเราคือเขาไม่มีทางจะเป็นผู้สถาที่สมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้จักขอบคุณมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะขอบคุณพวกเราได้ซึ่งคนประเภทนี้แหละครับที่เรามักจะเจอพี่น้องพวกเราจะเมตตาเขาแค่ไหนก็ตามถึงเวลาเขาก็ มีเรื่องบน่นถึงเวลาเขาก็ต้องมีเรื่องที่ตำหนิมีเรื่องที่ไม่พอใจอันนี้แหละครับที่เราต้องมาเตือนกันต้องเตือนสติกันให้ได้ฉุกคิดคุณไม่สบายหนึ่งเรื่องใช่ไหมแล้วที่พอลล์คุณมีสุขภาพดีมาสี่ส้าสปีคุณเคยเห็นความดีของแล้วเคยขอบคุณพอลล์ไหมแค่พอลล์คุณไม่สบายหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอันนี้คือความดีงามที่พงให้มาหายหมดเลยอย่างนั้นหรือเปล่าต้องพูดคุยกันครับผม อย่างนสระอัลลัคเอกะบิสิรับบิเกลเลดีขลักกะพระองค์บอกไงครับจงอ่านสีดนมม่ด้านของพระผู้ทรงสร้างผู้สร้างเรามานี่ก็คือความปวดปานที่ต้องพูดกันแล้วว่าองค์สร้างเรามานะขอบคุณพระองค์หรือยังเคยขอบคุณพระองค์หยัที่พองค์สร้างเรามาฉันอยากถามว่าไออินทร์มารบอริเกลกามีัลโอนุษยาชาติเอ๋ยอะไรละเป็นเหตุที่ทำให้เจ้านั้นไม่ยอมรับ นายของเจ้าผู้ส่งเมตตาผู้ส่งสูงสง่งผู้ที่สร้างเจ้ามาแล้วก็ทําให้เจ้าเป็นรูปล่างแล้วก็ทําให้เจ้ามีความสามารถที่จะทําอะไรได้อย่างปกติพี่น้องโลกสเกตเตอร์สิงสาราศต่างๆการเดินการเคลื่อนไหวเหมือนมนุษย์ไหมไม่เหมือนบางอย่างอาจจะเร็วกว่ามนุษย์แต่ฟังก์ชันการใช้งานไม่เหมือนมนุษย์เคยขอบคุณพวกอรอไหมเคยค่าควรความปวดปานที่พวกอรอให้ไหมเช่นเดียวกับที่ล้อแ ก, กวครับ วะลาหูอาขันจะรุมินบ uh ุบ uh ูตุนิอ um ุมะฮะติกุมลาตาโมเชียถือว่ากล่าวในกุรานว่าพผู้รอดเป็นผู้ที่เอาเจ้าออกมาจากท้องแม่ของเจ้าโดยที่เจ้าไม่รู้อะไรเลยแล้วเจ้าก็มารู้อะไรมากมายแล้วเจ้าก็กลายเป็นคนที่ยิ่งยะโสรประ น, นั้นหนือครับหากจะนับความปวดปานของผู้รอดนนับไม่ได้เรื่องพวกเนี้ยต้องเอามาคุยกันเยอะเยอะต้องมีการเตือนสติกันเยอะเยอะเช่นเดียวกันครับเราเตือนสติ ตัวเองเตือนสติคนอื่นด้วยกับความปวดปานได้เราก็เตือนสติเวลาที่เราทุกข์ได้เช่นเดียวกันครับเพราะอะไรครับเวลาคนเราทุกข์เราิ่งคิดถึงพู้อ朗เพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งต้องเตือนสติเขาเลยว่าเนี่ยอ朗ทดสอบแล้วนะอย่ามองอ朗ในด้านไม่ ด, มดีอย่ามองว่าอ朗เกลียดอย่ามองว่าอ朗อยากจะทําร้ายให้มองว่านี่คือบททดสอบจากผู้อ朗นะพี่น้องบางคนถามครับบางคนโทรศัพท์มาถามอาจารย์เนี่ยทำไมเนี่ย พวกล้อบอกพวกล้ไปทดสอบใครเกินความสามารถไม่ใช่หรือทำไมดูอย่างคนเอธิโอเปียเด็กบางคนอดอาหารจนเสียชีวิตทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้ทำไมคนนั้นโดนอย่างนี้ทําไมอะไรงนี้คนนี้ถึงโดนอย่างนั้นนี่คือเพราะไม่เข้าใจก็ต้องมีการเตือนสติกันก็ต้องเตือนว่าบททดสอบของพวกล้อนั้นทั้งหมดมีความหมายแล้วพวกล้อไม่ทดสอบใครเกินความสามารถของเขาก็คือเีในความหมดอยากในความหงุดหงิมันก็อยู่ในความสามารถ บางคนบอกความสามารถยังงอาจารย์เนี่ยอดจนตายพี่น้องคนเรามีใครไม่ตายบ้างเอาคุยกันตรงๆถามว่าคนที่ไม่อุดอาหารจนตายเนี่ยถึงเวลาเขาจะไม่ตายหรือเขาก็ต้องตายถามว่าคนที่มีกินอิ่มหมีพีมันกินอย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่ตายหรือเขาก็ต้องตายความตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เกิดในดุนยาเพราะดุนยามันคือห้องสอบประเด็นอยู่ที่ว่าเราออกจากห้องสอบเนี่ยคือการตาย แล้วประเด็นมันไม่ใช่อยู่ว่าเราอยู่ในดุนยาในยาวกี่ปีถูกไหมครับมันไม่ใช่ว่าคนที่อร้อยอยู่ในดุนยา5ปีเนี่ยอ่อ้อยไม่ตายน้อยกว่าคนอยู่ในดุนยา20ปีมันไม่เกี่ยวแล้วก็เช่นเดียวกันคนที่ตายบนเตียงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าอ่อน้อยเมตตามากกว่าคนที่ตายบนท้องถนนทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับที่ว่าเมื่อเราตายเนี่ยเราตายในสภาพที่อ่อ้อรักหรือเปล่ามุสีนต้องมองภาพใหญ่ เพราดุนยามันแค่เศษขี้ปะติ๋วหนึ่งของตลอดชีวิตเราคือถ้าไทม์ไลน์ชีวิตเราเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่โลกวิญญาณพวกนั้นรอดให้เราอยู่ในท้องแม่เรามาเกิดในดุนยาเราต้องไปอยู่ในโลกของความตายนานแค่ไนก็ไม่รู้เราต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาร อ, อการสอบสวนเป็นหมื่นหมืนปีเทียบกับดุนยาร้อยปีมันเทียบได้ไหมล่ะพี่น้องเทียบไม่ได้หนึ่งวันในวันแห่งการสอบสวนเท่ากับห้าหมืนปีในดุนยา อ่ะพี่น้องขี่ถึงคนทรมานตลอดชีวิตแล้วที่เขาทรมานไปในยแปดสิบปีเกสิปีร้อสิปีอ่ะไม่ต้องเอาแค่คนนี้เพิ่เปลียนที่ทรมานสิปียี่สิบปีเอาทรมานร้อยปีเลยเอาร้อยปีไปเทียบกับห้าหมื่นปีพี่น้องมันเป็นแค่ขี้ปฏติ๋วเลยแล้วไอ้ขี้ปฏิ๋วเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าห้า 0,000 ื่นปีเราจะได้ไปสวรรค์เราจะไปนรกพี่น้องว่าขุ่มไหมล่ะเอาพูดกันตรงๆถ้าเราเทียบกันใครก็ตามมาล้อทดสอบให้เขาเสียชีวิตอย่างทรมานแต่เอาล้อเมตตาเขา เขาทรมานร้อยปีในดุนยาแต่เขาไปเข้าสวรรค์ตลอดการกับคนที่บลลอกให้เขาได้แต่ความปวดปาในดุนยาร้อปีเต็มเลยอะมีความสุขตลอดเลยตายบนเตียงมีลูกหลานล้อมหน้าล้อมหลังแต่เขาตายไปเป็นชาวนรกพี่น้องว่าตกลงอันไหนมันดีกว่าการใครน่าสงสารกว่ากันไอ้โลกเนี่ยเราจะมองว่าคนที่ตายทรมาน น, น่าสงสารแ น, น่นอนเขาน่าสงสารในเรื่องของความเป็นมือแสนส่วนเราช่วยอะไรได้เราก็ต้องช่วย แต่ว่าในขณะเดียวกันครับเขาเป็นกลุ่มคนที่น่าอิจฉามากกว่าพวกเรามากกว่าพวกเราเยอะเลยอย่างเด็กบางคนเร้อสอสนให้เขาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กมันคือการรับประกันสวรรค์ให้กับเขาแล้วว่าเขาได้เข้าสวรรค์นแน่นอนถามว่าใครน่าสงสารเด็กหรือว่าเราเด็กที่เสียชีวิตเข้าสวรรค์ชัวๆกับไอเราเนี่ยแก่ขนาดนี้แล้วยังไม่ตายเนี่ย ถือเวลาโลกหน้าเนี่ยจะเข้าสวนจันทรกก็ไม่รู้ไอ้โลกเนี่ยเราสงสารเขาโลกหน้าเขาเนี่ยแต่สงสารเราแล้วเราคิดว่าใครน่าสงสารมากกว่าการคุยกันตรงๆเพราะนั้นเนี่ยครับต้องมีการเตือนเพราะนั้นในเรื่องของบททดสอบที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยไอ้ตอนที่เราเจอมันรู้สึกไม่ดีผมเนี่ยเวลาเจออะไรไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีเนี่ยวเวลาไม่สบายปุ๊บก็รู้สึกแย่ เวลาสูญเสียทรัพย์สินก็ใหม่พอใจตีโพยตีพายเวลาเกิดอะไรไม่ดีมันมีมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพียงแต่ว่ามันต้องมีการเตือนสติกันไงเตือนสติให้รู้ว่าในการสูญเสียมันแค่ดุนยามองภาพใหญ่ให้ออกต้องฝึกตัวเองให้มองภาพใหญ่อย่าไปมองภาพเล็กถ้ามองแค่ภาพเล็กมันมีแต่ความเครียดมันมีแต่ความเสียใจมันมีแต่ความโกรธมันมีแต่ความกลัวมันมีแค่นั้นแต่ถ้าเรามองภาพใหญ่ จากที่จะโฟกัสแค่ช่วง5วินาที1 น, นาที1วัน1อาทิตย์1เดือน1ปีถ้าเราโฟกัสที่มันใหญ่ไปจนถึงกระทั่งว่าโลกนี้โลกหลังความตายโลกหน้าถ้าเราโฟกัสเรามองได้มุมมองที่ใหญ่ขึ้นในบททดสอบหลายๆอย่างเราจะยิ่งขอบคุณผู้รอดรอได้ที่ผู้รอทดสอบเราแล้วพงก็ช่วยเราด้วยเพราะการทดสอบมันทําให้เราคิดถึงรองล้อดมากกว่าครับ เพื่นะนแ้วครับต่อให้เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ดีก็ต้องมีการเตือนสติกันต้องเตือนตัวเองต้องเตือนผู้อื่นเพราะฉนั้นต้องเราเตือนกี่เรื่องละส3เรื่องเรื่องแรกคือสัญญาณทุกอย่างการสร้างของปวงรอเรื่องที่2ความปวดปานต่างๆที่ปวงรอดมีให้ก็ต้องมีการเตือนกันเรื่องที่สบททดสอบที่มันหนักหนาสาหัสใครกำลังโดนอะไรเราไปให้ความช่วยเหลือเขาต้องช่วยด้วยนะไม่ใช่เตือนอย่างเดียวแล้วไม่ช่วยปล่อยเขาอยู่ตามยะถากรรมนี้ก็ไม่ใช่ ช่วยเขาให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็ต้องมีการเตือนสติเช่นเดีวยวกันครับอันที่4ี่ครับในเรื่องของบทบัญญัติของอิสลามมันก็ต้องมีการเตือนเรื่องของอัคคีดะมาเป็นอันดับหนึ่งการรู้จักผู้อโลเนี่ยอยู่อันดับแรกๆเลยมุสลิมจําเป็นจะต้องรู้จักผู้อโลคนที่คุณจะกราบไหว้ผู้ขอบอกครับผู้ที่คุณจะกราบไหว้เนี่ยคุณไม่รู้จักพระองค์แล้วคุณจะกราบไหว้อย่างไงใจจะมาไหม บางคนถามอาจารย์เนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันยังยังไงฉันถึงจะรักนบีได้เพราะเราไม่รู้จักนบีเราเลยไม่รักนบีนเนี่ยก็เลยต้องมีการพูดเตือนสติกันว่าทําไมเนี่ยท่านนาบีทําอะไรเนี่ยทำไมเราถึงต้องรักท่านนบีเพราะถ้าคนที่รู้จักท่านนบีเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่ตกลุมรักท่านนบีมัวมาสลองรอว่อะไรอัสสลั ม, มเป็นไปไม่ได้พี่น้องนอกจากเขาจะเป็นมูนาฟิกหรือคนที่ชั่วสุดๆนั่นแหละที่เขาจะไม่ตกลุมรักนบี ยิ่งกับผูนะ้รัศมี سبحانه หัวตาอเพราะนั้นถ้าเกิดเราดูในบทบัญญัติต่างๆเรื่องของการละมาดการถือศีลอดการ จ, จ่ายส ก, กาัเอาช่วงนี้ละมาตดูฮะละมาตดูฮะกันไหมวันนี้วันศุกร์อ่านซูราา์กาแฟกันไหได้ เ, เวลาละหมาดแล้วไปละบาดกันเถิดเราถือสิลอดสุดนั้นก็ไม่อาชฌนรมหาดอนก็จะมาต้องมีการเตือนกันในเรื่องหูกุ่มต่างๆบางคนละมาดรผิดอาจจะต้องมีการเตือนบางคนละบาดรไม่ถูกบางคนเจตนาไม่ดี เรื่องของบทบัญญัติอิสลามเนี่ยมันยิ่งต้องมีการเตือนกันถูกไหมครับทุกเรื่องเลยต่อให้เขารู้แล้วบางทีเขาลืมเขารู้แล้วเขาอาจจะเผลอไปกับสิ่งอื่นมันก็ต้องมีการเตือนหรือบางทีเขาไม่รู้หรือบางทีเขารู้ผิดบางทีเขาไม่เข้าใจ but that g i e s in the f a t i h i มันก็ต้องมีการเตือนกันเช่นเดียวกั น, นครับอันที่หครับผมต้องเตือนอะไรกันอีกละ่ะเรื่องของการตอบแทนสําคัญมาก สำคัญมากเพราะหนึ่งในกำลังใจของผู้ศรัทธาหนึ่งในสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เราเป็นมุสลิมคือเรารู้ว่ามันมีการตอบแทนถูกไหมครับในกุนาร์โพลล่ากล่าวว่าค่านั้นเกือบที่จะไม่ให้ใครรู้แล้วว่ามีโลกหน่โอ้ถ้าโพลล่าไม่ให้เรารู้ว่ามีโลกหน้าถ้าพงไม่ใเรารู้มีบาเรกการตอบแทนเนี่ยผมยังจินตนาการไม่ออกนะครับว่าจะเหลือสักกี่คนที่ยังละหมาตจะเหลือสักกี่คนที่ทาอีบาราเพื่อนหร อ, อยาก ยิ่งถ้าพวกล้อให้แบบใครก็ตามเป็นกาเฟตอร์ให้เขารวยหมดเลยเนะี่ยยิ่งน่ากลัวนะครับว่าจะเหลือมุสิมสักกี่คนถูกไหมครับที่คือความเมตตาของพวกลอหหว้อซุบฮานะแต่ละเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของการตอบแทนในเรื่องของการสอบสวนเราต้องพูดคุยกันเยอะๆระวังนะอย่าไปทําพฤติกรรมของชาวดูดนะพวกรักลุ่เพศเนี่ยพวกล้กลกลอจัดการกลุ่มสดูน ม, มาแล้วนะก็ต้องมีการพูดเตือนสติเรื่องของการตอบแทน หรือเนี่ยเขาทําให้ดีกับคุณก็จริงแต่เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเรื่องนี้คุณยกโทษที่เขาได้มันจะดีสำหรับคุณเมื่อคุณยกโทษกับเขาหวังว่ารัตจะยกิทษให้กับคุณก็จะมีการเกินสติในเรื่องของการตอบแทนหรือว่าอดทนอีกนิดนึงนะอย่างที่แม่บ้านบางทีพ่อบ้านเนี่ยเจอคู่ครองเป็นบททดสอบพิจารณใหญ่เลยฉันทําดีกับเขาสารพัดฉันไม่ขาดตกบกพร่องอามานะของเขาแต่เขาเนี่ยบกพร่องกับอามานะที่มีต่อฉันเลิศเกิน เรก็บอกว่าเมื่อเลือกมาแล้วเมื่อมันยังไม่ถึงเหตุอันควรที่ต้องเลิกลากันให้อดทนแล้วก็คิดซะว่าความอดทนนี้พวกเราจะตอบแทนในวันเกียรติเนี่ยก็ต้องมีการเตือนสติกันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดแต่พี่น้องก็ต้องมีการเตือนสติกันท่าเรื่องที่ว่ามานะครับอย่างน้อยที่สุดนี่คืออย่างน้อยที่สุดแล้วนะสัญญาต่างๆการสร้างต่างๆของพระ อ, องค์ความปิดปานที่พระ อ, องค์มีให้เรื่องของการสูญเสียเรื่องของสิ่งที่เราไม่ชอบเรื่องของการ ที่จะทำตาม Sharia ของล้อเบอรเมรียของพวงล้อแล้วก็ต้องมีการตักเตือนกันในเรื่องของการสอบสวนในเรื่องของการตอบแทนครับผมอันนี้ก็จะจบในส่วนของอายะฟาดักเก i ร t อิน a ะฟาติดนิกอรอนะครับผม